มโนทวารวิถีเราได้แบ่งประเภทของวิถีจิตไว้อย่างสั้นที่สุดว่ามีสองประเภทได้แก่ปัญจทวารและวิถีคือวิถีจิตที่เกิดขึ้นในการที่มีอารมณ์มากระทบทางประสาททั้งห้าเรียกว่าปัญจทวารวิถีอีกวิถีหนึ่งเรียกว่ามโนทวารวิถีมโนทวารวิถีนั้นได้แบ่งออกเป็นสองจำพวกใหญ่ๆด้วยกันมโนทวารวิถีกลุ่มแรกหรือพวกแรกนั้นเรียกว่า อนุพันธกะมนโนทวารวิถีหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตัทะนุวัติกะมนโนทวารวิถีเป็นการเรียกตามภาษาบาลีเต็มๆเราจะพูดกันในวันนี้ก็เฉพาะในส่วนของมนโนทวารวิถีกลุ่มแรกคืออนุพันธกะหรือตัทะนุวัติกะมนโนทวารวิถีอวิถีจิต ฝ่ายมโนทวานกลุ่มที่สองซึ่งเป็นกลุ่มใหญ่และเป็นกลุ่มที่มีอิทธิพลในทางการปฏิบัติธรรมอย่างสูงสุดก็คือสุดทักกะมโนทวานวิถีในนี้เขียนย่อไว้นะครับก็ขออธิบายสองประเภทนี้แต่โดยย่อนิดนึงก่อนนะครับว่าสุดทักกะมโนทวานวิถีนั้นหมายถึงมโนทวานวิถีที่เกิดขึ้นโดยเอกเทศ เอกเทศหมายถึงเอกเทศจากการเข้าไปเกาะเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับปัญจาตะาวาันวิถีวิธีจิตที่เกิดขึ้นในลักษณะเป็นเอกเทศที่บาลีใช้คําว่าสุดทะสุดตะนนแปลว่าเดี่ยวหรือเฉพาะตัวหรือเอกเทศหรือไม่เกี่ยวข้องกับวิธีจิตอื่นใดเกิดขึ้นด้วยตัวเองเรียกว่าสุธตะกะวิธีจิตฝ่ายมโนทวันที่เราจะพูดกันในวันนี้คือกลุ่มแรกที่บาลีอย่างแรกท่านเรียกว่าอานุพันธกะ คำว่าอนุพันธ์กะนั้นแปลว่าตามติดพันนะครับอนุนั้นแปลว่าตามพันธะนั้นแปลว่าผูกพันหรือติดพันเพราะฉะนั้นอนุพันธ์กะจึงแปลว่าตามติดพันหรือผูกพันตามอยาจะแปลอย่างไรก็ก็ได้นะครับในลักษณะของความหมายอย่างนี้อนุพันธ์กะจึงหมายถึงผูกพันตามแต่ถ้าถามว่าผูกพันตามอะไรเราก็คงจะพอเดาได้ว่า มโนทาวารวิถีที่เรียกว่าอนุพันธกะมโนทวารวิถีนั้นเป็นวิถีทางใจที่เกิดขึ้นผูกพันตามหรือตามติดพันปัญจทาวารวิถีและถ้าจะถามต่อไปว่าตามติดพันไปเพื่ออะไรตามติดพันไปทําไมตามติดพันเมื่ อ, อไหร่ก็จะมีคําตอบโดยลําดับสืบต่อไปหลังจากนี้เรามาพูดถึงชื่ออีกชื่อหนึ่งก่อนอีกชื่อหนึ่งนั้นท่านเรียกว่าตะทนุวัติกะ มโนทวารวิถีคําว่าตัทะนั้นก็แปลว่าอา่าเป็นคาเดียวกับว่าตทาเนี่ยเองตทาแปลว่าตามตทาเนี่ยแปลว่าตามแล้วก็อนุนั้นก็อนุเนี่ยในที่นี้ท่านมาต่อกคําว่าอนุวัตแปลว่าหมุนหมุนไปอนุวัตแปลว่าหมุนไปถ้าปฏิวัติแปลว่าหมุนกลับตะทะนุวัตติกะ กะนั่นเป็นชื่อของวิถีจิตกะนี่เป็นชื่อของวิถีจิตนะครับถ้าเราจะไม่เอาคําว่ากะใส่ก็ได้เหมือนกันถ้าจะให้มันง่ายๆหน่อยแต่ในนี้เราต้องการจะใช้ให้รงกับศัพท์ในทางวิชาการอย่างแท้จริงตาธนุวัติกะมโนทวานวิถีจึงหมายถึงมโนทวานวิถีที่หมุนไปตามอันนี้อาจจะเป็นคำนวนนิดหนึ่งหมุนไปก็หมายถึงเป็นไปและคําว่าเป็นไปก็คือเกิดขึ้นเกิดขึ้น ตามปัญจักตาวานวิถีนั่นเองอาจากชื่อที่เราแปลออกมาอย่างนี้นะครับก็พอจะนึกได้ทีเดียวว่าในขณะที่ตาเราเห็นรูปหูฟังเสียงเป็นต้นนั้นเมื่อเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ดมกลิ่นแล้วเรื่องไม่จบแค่นั้นเรื่องไม่จบแค่นั้นถ้าเรื่องจบแค่นั้นนะ่ะก็คงจะพูดได้ว่าชีวิตเราก็คงจะไม่ยืดยาวมาจนถึงปัจจุบันนี้และ คงจะไม่ยืดยาวไปจถึงชาตนาพบหน้าชาติหน้าพบนี้ที่เป็นเพราะพบก่อนชาติก่อนก็คงจะไม่เกิดขึ้นแต่หากว่าไม่มีการผูกพันตามเมื่อหลังจากการเห็นแต่ว่าเมื่อตาเห็นแล้วมันไม่หยุดแค่นั้นหูฟังเสียงแล้วไม่หยุดแค่นั้นมันมีมโนทวานที่ตามติดถ้าถามว่าตามไปทําไมเราก็ตอบได้ว่าตอบอยังหลีกจุดที่เราจะพูดในแนวปฏิบัติก่อนนี่นะครับก็ตอบว่า เป็นการตามติดไปเพื่อขยายหรือเพื่อตีความเพื่อตีความสิ่งที่จักขุทวา a วิถีเห็นเพื่อตีความสิ่งที่โสตท a า a วิถีเห็นเพื่อตีความสิ่งที่คารณทวา a วิถีดมเพื่อตีความชิวหาทวา a วิถีที่ได้ริมรดแล้วและเพื่อตีความสิ่งที่กายะทวา a วิถีกระทบถูกต้องแล้ว นะครับเพราะนั้นการตีความตรงนี้ะครับที่ทำให้เกิดความขยายตัวของการรับรู้เพราะว่าการรับรู้อารมณ์เนี่ยมันมีรู้ในหลายความหมายเดวยกันธรรมดาจิตทุกดวงนั้นเกิดขึ้นย่อมจะมีการรู้อารมณ์เป็นลักษณะแต่การรู้อารมณ์ของจิตนั้นมีขอบเขตของความชัดแตกต่างกันเพราะฉะนั้นควรจะทำความเข้าใจตัวนี้ซะก่อน ต่อมาอย่างนั้นแล้วก็จะถามกันว่าปัญจทวารวิถีที่เกิดขึ้นคือว่ามีคนเคยถามว่าก็จิตมันมีลักษณะรู้อารมณ์แล้วทําไมจะต้องมามีวิถีจิตเป็นจักขุวิญญาณจิตสัมปติช น, นะจิตสันติรณะจิตโวธภนาจิตเจวนาจิตจะต้องมีการตีความกันอีกทําไมเพราะจิตแต่ละดวงก็รู้อารมณ์อยู่แล้วแม้แต่ในขณะนอนหลับก็รู้อารมณ์ คำว่ารู้เนี่ยมีความหมายขีดขั้นที่แตกต่างกันเราจะเห็นว่าจิตทุกดวงในวิถีทุกวิถีนั้นจะมีฐานของการรับรู้อารมณ์เหมือนกันหมดก็จริงแต่มีความแตกต่างกันในมุมอื่นอีกมากในนี้จึงเอาลักษณะของการรู้อย่างคร่าวๆหรือจุดต่างที่สำคัญที่สุดมาแสดงให้เห็นอย่างประการที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นการกล่าวในฐานะของจิตแต่ละดวง ว่าจิตแต่ละดวงที่ท่านนิยามว่าจินเตตีติจิตตังธรรมชาติใดย่อมรู้อารมณ์หรือรับอารมณ์ได้คิดในอารมณ์ได้ธรรมชาตินั้นเรียกว่าจิตหรือวิชานะอวิชานะคือรู้อารมณ์นั่นเองอารมณะวิชานะลักขณังสิ่งใดที่รู้อารมณ์ได้สิ่งนั้นชื่อว่าจิตอันนี้เป็นการรู้ขั้นเบื้องต้นคนนอนหลับก็รู้อารมณ์คนเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องก็รู้อารมณ์คนเรียนหนังสือรู้เรื่องก็รู้อารมณ์ สัตว์ดเดรัจฉานก็รู้อารมณ์พระอาหารก็รู้อารมณ์มีจิตทุกจิตและถือว่ารู้อารมณ์หมดแต่ว่าการรู้อารมณ์เนี่ยมันมีขอบเขตรหรือมีลักษณะของความกว้างใหญ่ไพศาลที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าใครจะโงะ่ใครจะฉลาดใครจะรู้ลึกรู้ตื้นกวา้างแคบแค่ไหนก็นแล้วแต่จะต้องรู้อารมณ์ก่อนอันถึงว่าคนโง่ก็เพราะรู้อารมณ์คนฉลาดก็เพราะรู้อารมณ์ อันนี้เป็นขั้นหนึ่งอีกข้อหนึ่งเป็นการรู้ในลักษณะที่เรียกว่าเป็นขั้นบุญขั้นบาปการที่เราเกิดบุญเกิดบาปขึ้นนั้นที่เรียกว่าชาวนะจิตเนี่ยชาวนะจิตจะเกิดขึ้นกับบุคคลที่ผ่านขั้นตอนการรับรู้เหนือกว่าธรรมดาท่านลองนึกถึงความเป็นจริงในวิธีจิตที่เราได้เรียนมานะว่า ในขณะที่อตีตาภวังเกิดขึ้นผวังขจารณเกิดขึ้นผวังคุปัดปัดเจธาเกิดขึ้นแล้วก็ปัญจทวาราวชนะเกิดขึ้นปัญจทวาราชนะนั้นเป็นความรู้อารมณ์ในลักษณะตื่นเป็นกล้งแรกนี่เป็นการทบทวนแต่ว่าปัญจทวาราชนะนั้นยังไม่สามารถที่จะเสพลดของอารมณ์โดยความเป็นบุญเป็นบาปได้เพราะอะไรเพราะกําลังการรู้อารมณ์นั้นยังไม่ถึงจุดที่จะเป็นบุญเป็นบาป จะต้องผ่านขณะจิตเรียกว่าต้องบ่มการรับรู้ไปเรื่อยๆจนถึงโวตทพนะเพราะถึงโวธทพนานั้นเรียกว่าถึงจุดสุกงอมจุดสุกงอมของการรับรู้อารมณ์ที่ควรแก่การที่จะเป็นบุญเป็นบาปได้ต้องย้ําตรงนี้นะว่าควรแก่การที่จะเป็นบุญเป็นบาปได้และหลังจากนั้นชาวนะก็เกิดโดยความเป็นบุญเป็นบาปเาถ้าถามว่าชาวนะที่เกิดในปัญจทาาวารวิถีนั้นมันรู้หรือยังว่า สิ่งที่มันฟังเนี่ยมันเป็นเสียงของใครเป็นเสียงพูดหรือเป็นเสียงปลบมือหรือเป็นเสียงเรียกให้เขาไปหาไม่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรของใครอย่างไรแต่มันรู้แค่ว่าเสียงอย่างนี้มันได้ยินแล้วจะต้องเกิดบาปเสียงอย่างนี้ได้ยินแล้วจะต้องเกิดบุญถ้าเราจะสงสัยว่าถ้าไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไรแล้วเนี่ยเกิดบุญเกิดบาปได้อย่างไร คำตอบก็ได้ตอบไปแล้วว่ า, าการที่ชาวนาเกิดบุญเกิดบาปได้โดยที่ยังไม่สามารถจะตีความหมายของเสียงของรูปนั้นได้ก็ใต่ก็จริงแต่เพราะเราสร้างความคุ้นเคยนะครับนี่เป็นหลักต้องการมากความคุ้นเคยที่เราอบรมไว้กับเสียงทำนองอย่างไรนะครับไว้กับกลิ่นทำนองอย่างไรไว้กับรสทำนองอย่างไรความคุ้นเคยในอดีตนั่นแหละทาให้จิตของเรานั้น เมื่อรับอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็จะกําหนดโดยความเป็นบุญหรือเป็นบาปโดยอัตโนมัติหรือโดยพราการคือโดยพราการแปลว่าโดยกําลังของความคุ้นเคยทั้งที่ยังไม่รู้อันนี้ผมได้เคยอธิบายแล้วว่าที่ไม่รู้ไม่เข้าใจเนี่ยเกิดบุญเกิดบาปได้เยอะแยะไปบางครั้งเนี่ยเราหงุดหงิดโดยที่เราไม่รู้อย่างนี้ก็มีแต่ถ้าว่าเราพิเคราะห์ศึกษาไปภายหลังเราก็รู้ทําไมหรืถึงเป็นอย่างนี้ทําไมคนอื่นถึงเป็นอย่างนี้นะครับ แล้วิถีจิตเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แปลว่าชาวนะที่เกิดขึ้นทางปัญจทวารเนี่ยเกิดขึ้นโดยความเป็นบุญเป็นบาปทั้งทๆที่มันยังไม่สามารถที่จะตีความหมายอะไรได้และมันตีไม่ได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ที่ปรากฏทางปัญจทวาร น, นั้นเป็นอารมณ์หน่วยเดียวเป็นอารมณ์หน่วยเดียวเป็นอารมณ์ที่ไม่ได้เอาไปเทียบเคียงกับหน่วยอื่น และที่สําคัญก็คือปัญจทวานนั้นไม่สามารถที่จะเอาอารมณ์ที่ตัวเองรู้นั้นไปเทียบเคียงไปวิภาควิจารอะไรได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นหลักอันหนึ่งที่ท่านวางไว้ก็แปลว่าการที่เราเห็นรูปด้วยจักรคูทวารหนึ่งวิธีนั้นไม่สามารถจะตีความหมายได้เหมือนเราเห็นสระอาตัวเดียวเราไม่สามารถจะตีความหมายได้อ่านออกมาอะไรก็ไม่ได้ เห็นกอไก่ตัวเดียวก็ไม่สามารถที่จะอ่านให้ได้ความเป็นประโยคเป็นวลีขึ้นมาได้ฉันใดก็ฉันนั้นปัญจทวารก็อย่างนี้เพราะฉะนั้นปัญจทวาร น, นั้นจึงจะต้องอาศัยวิถีจิตอื่นเป็นตัวแปลความหรือตีความด้วยการด้วยการที่ปัญจทวานนั้นเกิดซ้ําๆซัซซกๆเก็บหน่วยของอารมณ์ไว้หลายๆหน่วยคือรู้อารมณ์หลายๆหน่วย แล้วก็ให้วิธีทางใจเข้ามาแปลอีกชั้นหนึ่งันกระบวนการการแปลเนี่ยก็จะมีอยู่ในระบบของอนุพันธกะมโนทวานวิธีและแปลแล้วเนี่ยแปลไปในทางที่ดีแปลไปในทางที่ไม่ดีก็ได้อันนี้จะมีมุมปฏิบัติมากอยู่ในนั้นอันนี้จึงเป็นขั้นหนึ่งตรงนี้คือชาวนาะอีกขั้นหนึ่งเป็นการรับรู้ในขั้นตีความก็คือ ในขั้นของตะทนุวัติกะมโนตวานวิถีที่เรากำลังจะพูดกันนี้เรียกว่าขั้นตีความเราจะรู้แล้วครับว่าเสียงที่ได้ฟังนั้นเป็นเสียงอะไรรูปที่ได้เห็นเป็นรูปอะไรกลิ่นที่ได้ดมนั้นเป็นกลิ่นอะไรก็จะตีความออกมาเป็นการตีความไปตามกระแสะโลกกระแสะโลกที่เขาบัญญัติเขาสมมุติที่เราสมควรจะตีหรือที่เราเคยตีมาแล้วเคยตีความมาแล้วแล้วก็ไปรับรู้อารมณ์อะไรแล้วก็ตีความอีก บางทีก็ตีออกบางทีก็ตีไม่ออกนั้นถ้าตีไม่ออกในกระบวนการจะไม่ครบวงแต่ถ้าหากว่าตีความออกตั้งแต่ต้นจนปลายอย่างเช่นว่าเราเราเห็นของสิ่งหนึ่งถ้ า, ากว่าเราเป็นคนไทยเราไปเห็นของสิ่งนั้นซึ่งของสิ่งนั้นไม่มีชื่อเรียกในภาษาไทยเราก็จะกำหนดรู้ได้แต่รูปวัตถันสันฐานแต่เรียกไม่ถูกคือนึกเป็นชื่อไม่ออกนะฮะ หรือเราฟังเสียงที่เป็นภาษาอื่นเขาพูดถึงสิ่งที่เราก็รู้จักตัวของนั้นอยู่แต่เราฟังภาษานั้นไม่ออกเราก็ไม่สามารถที่จะเกิดวิธีที่เรียกว่าวิธีนามัคและก็วิธีอัดทักที่ยังไม่ได้พูดถึงตอนนี้นะมันก็ห้วนแค่นั้นห้วนเนี่ยบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งอันนี้เราต้องเอาออกไปด้วยนะครับจากความเข้าใจ ในเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ก็คือการรับรู้ตามความจริงอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานั้นจิตรู้อารมณ์ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีปัญญาแต่การที่บุคคลจะเกิดปัญญากาหนดรู้ตามความเป็นจริงได้นั้นจะต้องอาศัยพื้นฐานการรับรู้ในเบื้องต้นนะฮะในเบื้องต้นคืออย่างไรครับอย่างเช่นขณะ น, นี้ท่านฟัง เกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมหรืออ่านเกี่ยวกับเรื่องพระอภิธรรมฟังแล้วท่านสามารถกำหนดรู้ความหมายว่าข้อความตรงนี้หมายถึงปรมัตส่วนนี้ข้อความตรงนี้หมายถึงบัญญัตินะฮะอะไรทานองอย่างนี้การกำหนดรู้อย่างนี้ของท่านเป็นปัญญาแต่ว่าปัญญานั้นจะเกิดขึ้นแบบโดดเดี่ยวไม่อาศัยการรับรู้ในส่วนอื่นเบื้องต้นไม่ได้เช่นไม่อาศัยการตีความมายาเกิดไม่ได้ อันนี้เป็นธรรมดานะครับเหมือนเราไปฟังภาษาบาลีที่ค่อนข้างจะเข้มข้นหรือไม่ได้แปลพอสมควรแก่อาการที่เราจะรู้ได้เนี่ยปัญญาก็ไม่เกิดต้องตีความออกเสก่อนแล้วปัญญาจึงเกิดตามเป็นอีกขั้นหนึ่งนะฮะทีนี้การตีความนั้นก็จะต้องอาศัยชาวณนะชาวณนะหมายถึงการเสพอารมณ์ของชาวณนะทางปัญจทวารวิถีก็ดีหรือ ตัวชาวนะที่อยู่ในวิถีตันนุวติกะก็ดีจึงจะเกิดการแปลความได้อันนี้เดี๋ยวเราจะได้พูดว่าตัวปัญจทาาวานวิถีนั้นปัญจทาาวานวิถีใดที่เกิดแล้วก็มาสิ้นสุดแค่โวอดถานะปัญจทาาวารวิถีนั้นไม่สามารถที่จะเป็นปัใจจัยให้แก่ตันนุวติกะต่อไปได้เพราะกําลังไม่พอใครเอาเราเอาวัวตัวหนึ่งเหลือควายตัวหนึ่ง ไปลากเกวียนเรากดว่าควายตัวนั้นน่ะลำพังกําลังที่จะทรงตัวยืนหรือจะก้าวไปแต่ละก้าวก็ไม่สามารถที่จะพาตัวเองไปสู่ที่ใดที่หนึ่งได้มันจะไปเอาแรงที่ไหนไปลากเกวียนหรือลากคันไถหรือลากอื่นใดหรือให้ใครมาขี่มาใส่ได้เนี่ยชั้นใดก็ชั้นนั้นนั้นปัญจะทะวารวิธีต้องเป็นวิธีจิตที่สมบูรณ์จึงจะสามารถเป็นเหตุให้เกิดอนุพันธ์อกาศได้ เดี๋ยวจะชี้หน้าตาให้ดูที่หลังต่อไปทีนี้จิตจะเป็นบุญเป็นบาปได้ก็ต้องอาศัยการรับรู้ที่เรียกว่ารู้อารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นการรู้อารมณ์เนี่ยรู้แล้วเป็นบุญเป็นบาปก็มีรู้แล้วฉลาดก็ดีรู้แล้วโง่ก็ดีจะต้องอาศัยการรับรู้เป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานของการรู้ทั้งหลายนี่เป็นการแยกแยะให้เห็นเป็นจุดเป็นส่วนที่เราควรจะกําหนดก่อนเป็นเบื้องต้น นี่เราก็มาดูว่าอานุพันธกะมมโนทวานวิถีคือวิถีจิตที่เกิดตามต่อเนื่องปัญจทวานวิถีนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มันเกิดขึ้นในลักษณะโดยประการใดอย่างไรเาเราดูหลักกำหนดในส่วนนี้ก่อนนะครับนี่เป็นข้อกาหนดว่าอานุพันธกรมะโนทวานวิถีนั้น เป็นมโนทวารวิถีที่จะต้องเกิดต่อจากปัญจทวารวิถีเท่านั้นอันนี้ก็แปลว่าถ้าตาไม่เห็นรูปนั้นเสียก่อนความคิดถึงรูปนั้นหรือการที่จะไปเที่ยวแปลรูปนั้นโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีไม่ได้แม้ทวารอื่นๆก็ เ, เหมือนกันตัวปัญจทวารวิถีจึงต้องเกิดนำทาง เสียก่อนและเมื่อเกิดนําทางแล้วมโนตวานวิถีประเภทนี้จึงเกิดสืบต่อนี่เป็นข้อกําหนดที่หนึ่งข้อกําหนดที่สองก็คือปัญจตะวานวิถีที่เกิดนําทางหรือเป็นปัใจจัยให้เกิดอนุพันธกรรมโนตวานวิถีนั้นต้องเป็นปัญจตะวานวิถีที่สมบูรณ์อันนี้ก็จะต้องทวนกลาวที่แล้วนะครับก็คงไม่ยุ่งยากอะไร คอาที่แล้วเนี่ยเราแบ่งกําลังของปัญจทาาวารวิถีออกเป็นสี่ประเภทด้วยกันคือเป็นอติมหันตารมวิถีเป็นปัญจทาาวารวิถีที่มีกําลังมากมีความสมบูรณ์มากมีความชัดเจนมากแล้วก็มหันตารมวิถีคือปัญจทาาวารวิถีที่มีกําลังเอาเมากี้อตินะมากที่สุดนะฮะมหันตารมวิถีนะ่ะมากแอบไม่ถึงที่สุดจึงเรียกว่ามหันตารมไม่มีอติข้างหน้าแล้วก็มีอีก สองระดับหรือสองกำลังคือปริตตารมวิถีเป็นปัญจตวันวิถีที่มีกําลังเล็กน้อยแล้วก็อติปริตตารมวิถีเป็นปัญจตะวันวิถีที่มีกําลังน้อยที่สุดหรือเบาที่สุดอ่อนที่สุดชัดเจนน้อยที่สุดนี้ถ้าเรานึกถึงาวาระของวิถีจิตพวกนี้นะครับเราก็จะนึกได้ว่าอาติมหันตารมวิถีนั้น เป็นวิถีจิตที่แรงที่สุดและมีวิถีจิตเกิดสมบูรณ์ที่สุดมาสิ้นสุดยุติที่ตาทานธะถ้าเป็นมหันตาลมวิถีนั้นก็จะมาสิ้นสุดยุติที่ชาวนาะใช่ไหถ้าเป็นปริตาลมนั้นมาหยุดที่โวตธรรนะชาวนาไม่เกิดนจะเห็นว่าชาวนาไม่มีเลยและปริอติปริตาลมวิถีนั้นมาสิ้นสุดที่ผ่าวังขจลณนะใช่ปะขณะบางสองขณะบางจบแค่นั้น เพราะเหตุนั้นล่ะครับเพราะเหตุกําลังต่างกันอย่างว่านี้ท่านจึงได้กําหนดว่าเฉพาะอาติมหันตาลมวิถีเท่านั้นจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอนุพันตธะได้แล้วก็เฉพาะมหันตาลมวิถีเท่านั้นจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดอนุพันธะมนโนตวานวิถีได้แล้วก็บอกว่าถ้าวิถีจิตทั้งสองนี้เกิดแล้วโดยธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะมันมีข้อยกเว้นเดี๋ยวค่อยว่ากัน โดยธรรมดาทั่วไปชีวิตเราเนี่ยนะจะต้องเกิดอนุพันธกะสืบต่อทันทีแล้วก็มีหลักอสอดคล้องกับสามัญสำนึกว่าถ้าปัญจะทะวารวิถีแรงอนุพันธกะก็แรงตามถ้าปัญจะทะวารวิถีอ่อนอ่อนหมย้ยในที่นี้ก็หมายถึงมันตลบอนุพันธกะก็อ่อนตามอุปประมาณเหมือนกับบุคคลเอาไม้พาย ไม่พายหรือแจวก็ได้หรือจะเป็นเรือหางยาวก็ได้ดีนี้ก็เป็นเรือหางยาวถ้าเราเร่งเครื่องแรงพวงใบพัดหมุนเร็วแรงมันก็ทําให้น้ํานั้นเกิดความบนเกิดความกระจุยกระจายแรงเป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นด้ามพายในยท่านเปรียบเหมือนกับปัญจทวารวิถีตัวด้ามพายที่เราใช้พายที่ใช้คนน้ําเนี่ยนะ น้ำที่หมุนวนไปตามด้ามภายนั้นเหมือนกับอนุพันธกะมมโนตวานวิธีถ้าหากว่าเราพายแรงน้ำก็วนลึกถ้าเราพายเบาน้ำก็วนตื้นหลายคนก็คงจะนึกภาพออกอันนี้เป็นข้อเปรียบเทียบให้เห็นถึงกำลังก็นั้นมันจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติมากทีเดียวความหลักความจริงอันนี้นะเดี๋ยวเราเค่อย พูดกันต่อไปและอย่างที่สามก็คือ <c oughs> ข้อสามก็คือสืบต่อทันทีนะครับคำว่าสืบต่อทันทีนั้นมีความหมายว่า <c oughs> มันเกิดขึ้นอย่างทันทีเหมือนกับไม้พายที่ยกตัวยอย่างเปรียบเทียบเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเราเห็นอารมณ์แล้ว เห็นไปนานแล้วแล้วเรามาคิดถึงในภายหลังนานๆเนี่ยท่านไม่เรียกอนุพันธ์กาท่านถือว่าคลระยะของความเป็นอนุพันตกาแล้วกลายเป็นสุดท้าแล้วเช่นเรานึกถึงเรื่องเก่าๆภาพเก่าๆกาลิ่นเก่าๆโพธทะเก่าๆที่เกิดขึ้นมานานแล้วที่เราก็ตีความหมายได้แล้วตั้งแต่ <c oughs> เราเห็นใหม่ๆตอนนั้นเรารู้เรื่องรู้ราวรักใครชอบใจอะไรก็ไปแล้วหรือไม่ชอบใจไปเรียบร้อยแล้ว ตัดสินใจทําอะไรลงไปแล้วและตอนหลังหลายปีต่อมาเรามานึกย้อนกลับอีกครั้งหนึ่งเป็นการทบทวนถ้ากรณีอย่างนี้ท่านไม่เรียกอนุพันธกะท่านถือว่าเข้าเขตเป็นสุทธมโนทวารวิธีเป็นการพ้นระยะไปเ อ, อตรงนี้ต้องรอไปพูดถึงสุทธมโนทวารวิธีภายหลังก็จะเห็นเห็นเข้าใจชัดขึ้นนะครับอันนี้เรียนหลัก ที่วางไว้เป็นข้อสำคัญให้ทราบก่อนคราวนี้เรามาดูลำดับการเกิดลำดับการเกิดของตะทนุวัติกะมโนทวารวิถีอ่าลำดับการเกิดนั้นเ <c oughs> ดียนไดไม่ได้เขียนเต็มคงจะต้องอาศัยอาจารย์นิสาช่วยเขียนเต็มบนกระดานให้ดูด้วยโดยลาดับนะฮะว่าในขณะที่ผมค่อยๆ อ, อธิบายแล้วเดี๋ยวอาจารย์นิสาคงนึกออกอ่มันมีเกี่ยวกับ วิตัววิธีจิตที่เขียนว่าย่อๆยังไม่ต้องกําหนดนะยังไม่ต้องโจทย์ไม่ต้องอะไรลงไปผมจะพูดเฉพาะแถวข้างหน้าที่เขียนลําดับที่หนึ่งว่าปัญจะปัญจะนี่ยอมมาจากเขาปัญจะทวารเลยซึ่งหมายความว่าตาเห็นรูปเป็นต้นปัญจะทวารวิถีเกี่ยวกับตาเห็นรูปหูฟังเสียงกระทั่งถึงกายสัมผัสถูกต้องปัญจะทวารวิถีเกิดก่อนแต่ว่าปัญจะทวารวิถีเวลาเกิดเนี่ยเกิดทีละหนึ่งวิถีไม่ใช่เกิดทีเดียวห้านะสมมติว่า ปัญจะทวารวิถีทางตาปรากฏขึ้นเห็นอารมณ์คือรูปแล้วก็ดับไปดับไปด้วยการเห็นอารมณ์หน่วยเดียวนะยังไม่รู้ว่าเป็นอะไรแต่เกิดบุญเกิดบาปด้วยความเคยชินแล้วจิตเนี่ยมันยังไม่หยุดแค่นั้นไม่หยุดความพยายามที่กำหนดความหมายแค่นั้นเมื่อดับไปแล้ววิถีจิตนั้นพ้นวาระไปก็มีวิถีจิตอีกวิถีหนึ่ง เกิดขึ้นเป็นลำดับที่สองเสรบต่อทันทีเรียกว่าอาตีตักข้าหนะอตีตักข้านะมาโนทาวานวิถีอาจารย์นิสาช่วยลำดับเขียนให้ดูตั้งแต่หนึ่งมาเลยนะครับปัญจทวานวิถีหนึ่งงานตามลำดับเขียนไล่ลงมาก็ได้หนึ่งปัญจทวานวิถีแล้วก็ข้อสองที่กาลังพูดนี่ก็คืออตีตักขานะ้าหะมโนทาวานวิถีหนึ่งอย่ยงว่าบาลีมี คำลงลังลงลังฟังแต่เสียงอาจจะเขียนไม่ถูกอันนี้ผมเขียนย่อไว้อาตีตักค้าหานะอาตีตักข้าะจะเอาแค่นั้นก็ได้นะครับแต่สมบูรณ์จริงๆนะมีคอควายสองตัวเป็นสะกดต่อเต่าตัวต่อเต่าแม่นอากาศคอควาย อ, อ, อ่านว่าอาตีตักค้าหานะก็มาจากคาว่าอาตีตักค้าฮานะน่เอง เกิดเดี๋ยวผมจะย้อนมาอธิบายชื่อและความหมายอีกอวิธีต่อไปคือสะมูหักพาตีตักเกิดแล้วนะครับสะมูหักเกิดสืบต่อสะมูหักขานะมะโนตะวันวิธีหลังจากนั้นอัดอัดถักข้าหนะมะโนตะวันวิธีจะเกณฑวิธีเฉยๆก็ได้เหมือนกันและวิธีถัดไปก็คือนามัก ค้าหนะนามข้านะนา ม, านะมโนทวารวิถีหรือนามขาหนะวิถีนะครับนั้นตั้งแต่ข้อสองถึงข้อหกเนี่ยเป็นมโนทวารวิถีหมดที่ทํางานเกี่ยวเนื่องกับปัญจทวารวิถีและมโนทวารวิถีที่ทํางานเกี่ยวเนื่องไปโดยลําดับอย่างนี้เรียกว่าตัตนุวัติกานั่นเองครับตันุวัติกามโนทวารวิถีนั่นเองที่ทํางานสืบต่อกันอย่างนี้ เอาละอันนี้เราย้อนกลับมาดูชื่อให้ชัดชัดแล้วก็กำหนดความหมายชัดเจนลงไปว่านุตวติกาที่เกิดเพื่อตีความตีความของรูปที่จักขุทวานวิถีเห็นตีความของเสียงที่โสตตวานวิถีได้ยินเป็นต้น เมื่อปัญจทาาวารวิถีวิถีใดวิถีหนึ่งเกิดขึ้นผมจะยกเฉพาะจากขูทวารวิถีก็แล้วกันจากขูทวารวิถีเห็นรูปหน่วยใดหน่วยหนึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงจุดจบของวิถีนั้นอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วก็คือถ้าเป็นอติมหาสลมก็ตั้งแต่อติตักอติตาประวงังจนกระทั่งถึงตาตาล้นะเห็นรูปหน่วยเดียวการเห็นรูปหน่วยเดียวนั้นถือว่าเป็นปรามัิ ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชายไม่ใช่หญิงไม่รู้ว่าเป็นรูปอะไรเพราะว่ามันเป็นรูปหน่วยเดียวเป็นเครื่องแสงหน่วยเดียวแต่ที่เกิดความโลภความโกรธความหลงหรือเกิดกุศลจิตไปในรูปหน่วยเดียวหน่วยนั้นที่ไม่รู้ว่าอะไรนั้นเป็นเพราะความเคยชินที่เราได้สะสมอบรมไว้ทำให้จิตตัดสินใจชอบไม่ชอบไปโดยอัตโนมัติแต่ว่าภาละ หลังจากที่ชาวนะเกิดกําหนดความชอบไม่ชอบไปแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าจะต้องกําหนดรู้ให้ได้ว่ามันอะไรนะฮะห้ามเข้าไปอยู่มันจะต้องเป็นไปเข้ามบนอย่างนั้นมันคล้ายๆว่าเราเนี่ยมีตัณหามีความอย า, อยากอยู่ในสันดานทําให้จิตของเรามันทํางานไปตามอํานาจของตัณหาสมุทัยของเราที่อยากจะรู้อยากจะทราบาอะไรปะไปหลาย เป็นคล้ายๆว่าเราเนี่ยมีลักษณะของความสอดรู้สอดเห็นหรือความอยากรู้อยากเห็นมาตั้งแต่ชั้นในแล้วดังนั้นเมื่อจกักขุทวา a วิถีวิถีนั้นวิถีเดียวดับลงเนี่ยมนโนทวา a วิถีเกิดขึ้นกํากับเลยมนโนทวา a วิถีที่เกิดขึ้นกํากับต่อจากนั้นน่ะเรียกว่าอัตติตักข้านะถ้าถามว่าทำไมถึงเรียกว่าอัตติตักนะมาจากคําว่าอัตติตัก แปลว่าอาดีตแล้วก็ฆาหนะแปลว่าถือหรือยึดไว้ยึดก็ได้ยึดไว้ฆาณะแปลว่ายึดไว้ถ้าใช้ในที่อื่นอาจจะเป็นชื่อของตันหาแต่ในที่นี้ไม่ไม่ใช่ตันหาอาดีตอะไรอดีตก็คืออารมณ์อดีตรูปที่จักขุทวา a วิถีเห็นแล้วเมื่อตะกี้นี้วิถีจิตดับแล้วอารมณ์ที่ จากขูทวารพิธีกระดับแล้วมันน่าจะจบเพียแค่นั้นแต่ใจเราเนี่ยมันตามผู่พันเป็นอนุพันธ์กายอย่างที่ว่าอาตีตักมันก็นึกย้อนย้อนหลัดๆว่าเมื่อกี้เราเห็นรูปอย่างนี้เมื่อกี้เราเห็นรูปอย่างนี้การนึกย้อนกลับไปอีกครั้งเป็นทํานองว่าเหมือนกับพิมพ์ภาพนั้นนันไว้หรือพิมพ์อารมณ์นั้นไว้ในใจเรียกว่ า, าตีตัก จึงแปลว่า <c oughs> ยึดเอาอาดีตนะฮะถือเอาอาดีตช่วยเอาอาดีตกําหนดเอาอาดีตเ <c oughs> นี่ยเรียกอติตากานะคานาจึงแปลว่าถือเอาหรือยึดไว้ก็ได้อะคานะเนี่ยบางที่ใช้เป็นชื่อของสัตว์น้ําหรือสัตว์ที่กัดกินคนที่ลงไปเล่นในน้ำ <c oughs> ํำลากสดก็เรียกคานะหรือจระเข้ก็เรียกคานะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ ภาพกิดเฉวยเอาลากคนลงไปในน้ําวิถีจิตนี้มีอาการเหมือนจระเข้คืออารมณ์ที่ตาเห็นแล้วดับไปแล้วแต่ว่ามันยังนึกย้อนกลับไปชฉยวิเอามาอย่างนี้ถ้าถามว่ามันนึกย้อนกลับไประลึกถึงอารมณ์ที่ดับไประหลัดเพื่ออะไรความจริงนะมันก็อยากจะรู้ว่ามันเป็นรูปอะไรใครพูดพูดหมายความว่าอย่างไงมันอยากจะรู้อย่างนี้ แต่ว่ากำลังที่จะตีความให้ได้ถึงจุดอย่างนั้นยังไม่ได้มันต้องมีขั้นตอนนี่เราจะเห็นว่าเป็นการทำงานขั้นตอนระวางวิถีกับวิถีที่เราพูดมาตั้งแต่ครั้งก่อนๆเนี่ยเป็นขั้นตอนระวางขณะจิตกับขณะจิตคือขณะจิตในวิธีเดียวกันแต่นี่เป็นขั้นตอนที่โยงกันระหวางวิถีกับวิถีเพื่อตีความหมายที่ใหญ่กว่านั้น ทำผลที่ใหญ่กว่านั้นให้ปรากฏเกิดขึ้นต่อไปเพราะอาตีตาคานะรู้ซ้ำลงไปแล้วเนี่ยแปลว่ามันได้เก็บภาพอารมณ์ที่เห็นประจักษ์เมื่อสักครู่นี้เอาไว้แน่นแล้วหลังจากนั้นสมูหักเกิดเลยอะอะสมูหักตรงเนี้ยความจริงถ้าเราอธิบายอย่างเผลนๆมันก็อาจจะฟังแล้วไม่ตรงความจริงนิดนึงแต่ว่านี่ผมจะพูดใ ห, ให้เข้าที่ไปเลยนะครับว่า คำว่าสมูหะเนี่ยแปลว่ารวบรวมคาานะแปลว่าถือเอาถือเอาไว้ในฐานะรวบรวมถือเอาไว้ในลักษณะของการรวบรวมคำว่ารวบรวมตรงนี้มีความหมายแตกต่างกับความเข้าใจโดยทั่วไปของเราว่าถ้ารวมเนี่ยจะมีความหมายว่ามีของหลายๆอย่างมาอยู่ด้วยกันเราเรียกว่ารวมนะฮะอย่างกินอาหารรวมรวมกินวิตามินรวมเรากินทีเดียวเรียกว่ากินรวมวิตามินรวม กินทต่ละอย่างไม่เรียกว่ากินรวมนะครับหรือพระที่ฉันรวมก็แปลว่าเอาของหลายอย่างเทลงไปในบาตใบเดียวกันคราวเดียวกันแล้วก็ฉันคราวเดียวกันเรียกฉันรวมแต่ว่าถ้ากินทีละอย่างทีลอย่างอย่างเราไม่เรียกว่ากินรวมใช่ไหมบางทีกินแล้วก็ไปรวมเหมือนกันทีนี้ความหมายของซามูหักของท่านเนี่ยท่านมีความหมายว่ารวมนะรวมแบบเรากินทีละอย่างแล้วมันเข้าไปรวมเองทีหลังหรือ การรวบรวมเงินอย่างที่เราพูดว่ารวบรวมเงินไว้ซื้อบ้านรวบรวมเงินไว้เพื่ออนาคตหรือเพื่อลูกเพื่อล้านเพื่ออะไรก็แล้วแต่การรวบรวมเงินอย่างที่เราพูดกันนั้นในเรื่องการประหยัดนั้นรวมทีละน้อยใช่ไหมรวมทีละน้อยเช่นหยอดกระปุกวันละบาทละบาทวันละสลึงสลึงอย่างนี้นะเรียกว่ารวมเพราะอะไรทาไมต้องเรียกว่ารวมทั้งที่ใส่ทีละหน่วยเดียวหรือหน่วยเดียวหน่วยใหญ่หน่วยน้อยแค่ไหนก็ตามที่เรียกว่ารวมเพราะว่า เรากล่าวถึงความตั้งใจในระยะต่อไปนะฮะไม่ใช่รวมตั้งแต่แรกไม่ใช่กอบรวมมาของหลายๆอย่างนันสมูหักตัวนี้แปลว่าเมื่ออาตีตักเกิดขึ้นกําหนดรู้อารมณ์ที่ดับไปเมื่อสักครู่นี้แล้วสมูหักรู้อารมณ์นั้นอีกทีแต่รู้อารมณ์ในฐานะของสมูหักนั้น เป็นการรู้อย่างชนิดที่เรียกว่าเก็บอารมณ์นั้นไวเลยถามว่าเก็บไว้ทำไมก็ตอบว่าเก็บไว้เพื่อเอาไปต่อติดไปต่อติดกับอารมณ์หน่วยอื่นที่จะค่อยๆรู้แล้วก็มารวมไว้มารวมไว้ค่อยๆต่อให้เป็นผืนเดียวกันจะได้รู้ว่าอักษรที่เห็นแต่ละตัวแต่ละตัวนั้นเอามารวมกันแล้วมันแปลว่าอะไรอ่าผมผมจ ะ, ะให้เห็น ช, ชัดอย่างนี้เลยครับว่าส ม, มูหักเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆ <c oughs> ผมเขียนตัวอักษรให้ท่านดูทีละตัวอย่างนี้นะครับมืรดูตัวบน อ, อ, อ่างเห็นแล้วปัญจทาาวารวิถีไยจากคุทวารเห็นแล้วก็ตีตักก็เห็นซ้ำเพื่อไม่ให้ลืม กันลืมไม่ใช่รวมนะพอสมูหักเกิดเนี่ยมันเกิดลักษณะเก็บภาพไว้ใช่ไหมทีนี้ผมก็ลบ<ม>เห็นสราอาอีกตัวเ<ม>พราะเห็นสะอาเนี่ยอ้อ อ, อ่างอยู่ในใจท่านัหมอยู่ครับไม่ไปไหนเสร็จแล้วก็ลบลบสราราที่อ้อีโลรมาท่านก็เห็น แล้วก็สมูหักม ก, ก็เก็บไปอีกแล้วก็ลบหอหีบออกเขียนสลายตัวหนึ่งเก็บไว้ในใจแล้วก็ลบทิ้งแล้วก็เขียนรอเรือขึ้นมาท่านดูอีกแล้วก็ลบทิ้งทั้งหมดถามว่าผมเขียนอะไรท่านรู้ใช่ไหมนั้นเวลาเดี๋ยวนี้เราอาจจะผ่านที่ทําการหน่วยธุรกิจที่เขาจะมีตัวตัวหนังสือวิ่ง วิ่งแล้วทำไมเราอ่านกันได้ล่คะครับเพราะไม่ได้เขียนเป็นกระดานแช่เหมือนป้ายธรรมดาทั่วไปแต่เราอ่านได้เพราะว่าภาพที่หายไปเนี่ยมันถูกเก็บถูกเก็บไว้ทีละหนึ่งทีละหนึ่งทีละหนึ่งอันเนี้ยเขาเรียกว่ารวมเก็บเพื่อรวมแต่ว่าไอ้ตัวที่ทําหน้าที่รวมที่เรียกว่าสมูหักเนี่ยมันเก็บในฐานะรวบรวมข้อมูลแต่ว่ามันไม่ได้เป็นตัวอ่านเองนะฮะ น, นี่ต่างตรงนี้ครับมันเก็บแต่ว่าไม่ได้อ่านเอง อ่านเนี่ยอ่านหมายถึงตัวรวมที่หลังจริงๆนั้นเป็นตัววิถีจิตอีกชุดหนึ่งที่จะเกิดสืบต่อไปคือวิถีจิต อ, อัดถักข้าฮนะขั้นที่สี่ทำหน้าที่เห็นทีเดียวรวมรวมอัดทักนี่แปลว่าอะไรอัดทะนะ่นแปลว่าในที่นี้เอาแปล ตามสับเนี่ยแปลได้หลายอย่างแต่เราแปลกันทั่วไ ป, ปแปลว่าเนื้อความเนื้อความถ้าเป็นทางตาเนี่ยหมายถึงรูปปั้นสันฐานนะครับหมายถึงรูปปั้นสันฐานมสมมติว่าเราไปตัดรูปคนมาเป็นชิ้นๆเหมือนกับภาพต่อที่เข้าไปต่อภาพลูกโลกบ้างภาพคนบ้างที่เด็กๆชอบเล่นกัน แ, แล้วเราก็เอาภาพ แต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนี่มาแปะที่กระดานแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นพอแปะเต็มข้าเราก็เห็นเป็นรูปคนหรือรูปสัตว์ถ้าเป็นทางตานะแม้ทางจมูกทางลิ้นก็เหมือนกันมันรู้ทีละหน่วยแล้วก็รวมรวบยอดเป็นรูปประพันธ์สันฐานอีกชั้นหนึ่งเราถึงเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ถ้าเป็นทางลิ้นก็เป็นรสหวานรส ก๋วเตียวรสอะไรแต่อะไรเนี่ยมันก็ตีความออกไปเห็นเป็นผืนใหญ่เป็นการรวมยอดของอารมณ์แต่ละหน่วยแต่ละหน่วยเหล่านั้นอย่างอาหารที่เรากินเนี่ยถ้าวลำพัง <c oughs> เรากินแบบไม่รวมนะกินแบบจิตไม่รวมเนี่ยบางทีเ อ, อย่างอย่างคล้ายๆอย่างผู้ปฏิบัติหรือพระอริอยะท่านฉันถ้าท่านกินแบบไม่รวมแม้ว่าของแต่ะอย่างมารวมมาอยู่แต่ท่านกินแบบไม่รวม เพราะว่าไอ้ของรวมเนี่ยกินจริงๆมันก็ไม่ปรากฏเป็นอารมณ์เราแบบรวมๆตั้งแต่แรกแค่ป่ะใช่ไหมฮะลิ้นเนี่ยมันรู้รวมไม่ได้แต่ใจมันมารวมแต่เมื่อว่าท่านฉันของแต่ละอย่างที่รวมกันอยู่แล้วลดนั้นปรากฏก็กําหนดแล้วจริงลถนี้ปรากฏแล้วกําหนดแล้วทริงมันจะไม่มีคําว่ารถแกงนั่นแกงนี่ที่เป็นรถรวมๆทีนี้ถ้าเป็นอย่างเราเนี่ย <c oughs> เราไม่ชอบรวม แล้วกินแล้วเราก็นึกแบบรวมๆคือเลยหน่วยเฉพาะออกมันออกไปเราถึงติดอะไรที่มันรวมๆเป็นกลุ่มเป็นก้อนคณะสัญญานั้นเกิดขึ้นกับเราเพราะอย่างนี้เราได้มีคณะสัญญาซึ่งเป็นสัญญาวิปลาสเพราะว่าลักษณะของธรรมชาติในโลกนี้ในกติของพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านถือว่าเป็นของที่รวมหรือแยกแยกเป็นของแตก โลกเนี่ยถึงเป็นของแตกมันแตกอยู่ในตัวเองเพราะมันเป็นหน่วยเล็กลๆมาคุมอยู่ด้วยกันมันเป็นหน่วย ย, อยว่อยไม่ใช่หน่วยใหญ่ความรู้สึกของเราเป็นหน่วยใหญ่แต่ความเป็นจริงนั้นเป็นหน่วยย่อยและเวลาเราจะปฏิบัติให้เข้าถึงความจริงเราก็ต้องละหน่วยใหญ่เพื่อเข้าถึงหน่วยย่อยเราจรึงจะบรรลุความจริงได้ทีนี้นเมื่อเข้าถึงหน่วยย่อยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้หน่วยใหญ่เนี่ยเป็นหน่วยที่ค่อนข้างจะทําลายความรู้สึกเรามาก กอให้เกิดกิเลสมากแต่หน่วยเล็กที่เรียกว่าเป็นใหญ่ถ้าเป็นเล็กไม่ใหญ่เป็นเล็กมันก็รู้สึกว่ากิเลสไม่ค่อยมากนะคล้ายกันเหมือนกันถ้าถ้าความรู้สึกเรามันอยู่แต่หน่วยเล็กๆเนี่ยก็รู้สึกว่ากิเลสมันเกิดน้อยไม่ว่าจะเป็นกาลละการเวลาอะไรก็แล้วแต่นะครับลองคิดดูเถอะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดกิเลสกับสิ่งเหล่านี้แต่ถ้านึกเป็นหน่วยใหญ่แล้วแล้วก็ ไม่ว่าจะมองในมุมไหนแม้แต่เรื่องของความขยันหมั่นเพียนรท่านก็สอนใ ห, ให้คิดเป็นมุมเล็กๆคือคิดแยกแยกออกไปเสียถ้าเราคิดเป็นใหญ่ๆนานๆก็รู้สึกว่าโอ เ, เราจะทําหวาดไหวหรืออะไรหรืออันนี้ก็เป็นเป็นแนวที่ออกมาจากหลักการข้อเท็จจริงอันนี้เพราะฉะนั้นพอถึงอัดถักฆาณะวิถีนั้นท่านบอกว่าถึงตรงนี้เป็นบัญญัติแล้ว เป็นสมมติแหละไม่ใช่เป็นปรมัตดปั้จทวาลวิถีเป็นปรมัตดปัจจุบันเลยฮะเป็นปรมัตดและเป็นปัจจุบันด้วยเพราะว่าอารมณ์กําลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าในขณะนั้นทันทีอาติตาข้านั้นอารมณ์เป็นปรมัตดแต่ว่าเป็นปรมัตดที่ผ่านไปแล้วเป็นอดีตปรมัดถึงเป็นอดีตแต่ยังเป็นปรมัตดเป็นของจริง ไม่ได้ไปรวมหน่วยตีความเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นอะไรอะไรขึ้นมาสมูหักที่ทาหน้าที่เก็บอย่างสะสมเอาไว้เนี่ยก็ถือว่ามีอารมณ์เป็นปรมาจา์เพราะมันเก็บรวบรวมจริงแต่ว่ามันรวมแบบทีละหนึ่งมันไม่ได้รูรวมมันรูทีละหนึ่งแต่ว่าการรูของมันมนั้เป็นการรูแบบสะสมเอาไว้ อารมณ์จึงเป็นปามัตดและเป็นอดีตอารมณ์เหมือนกันพอมาถึงอัตถกนั้นเป็นบัญญัติบัญญัติอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอัตถบัญญัติอัตถบัญญัติบัญญัติเนี่ยท่านก็เคงจะเคยได้ยินว่ามีสองอัตถะบัญญัติกับสัทธะบัญญัติหรือจะพูดอีกชื่อว่าอัตถะบัญญัติกนามบัญญัติบัญญัติสองอย่างเนี่ย บัญญัติที่เป็นอัธบายัญญัตินั้นหมายถึงเราพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนื้อความคือสิ่งที่สิ่งในโลกเนี้ยสิ่งที่ไม่ได้หมายถึงสิ่งที่เราพูดนะหมายถึงไม่ได้หมายถึงคำพูดไม่ได้หมายถึงชื่อสิ่งเช่นว่าเราพูดถึงโต๊ะโต๊ะก็เป็นสิ่งจิตก็เป็นสิ่งนิพพานก็เป็นสิ่งสิ่งทั้งหลายข้อเท็จจริงในโลกความเป็นจริงในโลกในที่นี้เรื่องอัต ตีแปลว่าความคือสิ่งข้อเท็จจริงสภาวะทั้งหลายที่มีอยู่อัดนมีสองอัดที่เป็นจริงเรียกว่าปารามัตถะปรอัดคือปรมัตถะอัดที่เป็นจริงคือสิ่งที่เป็นจริงกับอัดทบัญญตัติคือสิ่งที่ไม่มีจริงเช่นสมมติเราพูดถึงสิ่งหนึ่ง บอกว่าหนวดเต่าเขาก็ตายเนีย่ยพูดถึงสิ่งนั้นถามว่าหนวดเต่าเขาก็ตายที่ผมพูดถึงเนี่ยสิ่งนี้เป็นปลามัดคือเป็นของจริงจริ ง, รงหรือเป็นของไม่จริงของจริงของไม่จริงของไม่จริงนั้นหญิงหมันมีคันหนวดเต่าเขาก็ตายพวกนี้นะถือว่าเป็นสิ่งไม่มี ใช่ไหมสิ่งไม่มีเนี่ยสิ่งคืออัดไม่มีคือบัญญตัติแต่ถ้าผมพูดถึงโทสะจิตโมหะจิตสิ่งที่ผมพูดถึงนั้นมีไม่มีมีอย่างนี้เรียกว่าอัดที่เป็นจริงอัดที่มีดังนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราพูดถึงเราเข้าใจถึงเราคิดถึงว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าที่มันใจเราไปคิดถึงไปวิาพากษ์วิจารว่า มันเป็นอะไรมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างคืออัดจริงกับอัดไม่จริงสองอย่างนั้นอัดที่เป็นจริงเ้าเรียกว่าปารมาติอัดที่ไม่จริงเรียกว่าอัตถะบัญญัติอัตถะบัญญัติภาษาท่านนะอัตถะบัญญัติคือสิ่งที่ไม่จริงเนี่ยเพราะนั้น <laughs> ความรู้สึกความเข้าใจของเราต่อโลกและชีวิตที่เราคิดว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่มันจะมีอยู่สองอย่างจริงกับไม่จริง มีแค่นั้นเองทีนี้เมื่อเราพูดถึงอัดเนี่ยเมื่อเราเข้าใจเราค้นหาอัดเราก็าเอามาพูดเอามาตั้งชื่อเอามาบอกกล่าวกันการเอาอะไรมาบอกกล่าวกันเนี่ยตัวที่เป็นตัวสื่อสื่อถึงอัดเป็นของมีไหมไม่มีอย่างอัดคือโทสะเนี่ยอัดคือโทสะ ตัวสภาวะนั้นมีจริงเป็นปรมัตถ์แต่คำว่าโทสะนั้นเป็นบัญญัติคำว่าโทสะนั้นเป็นนามบัญญัติหรือเป็นสัทธะบัญญัติบัญญัติที่เป็นคำพูดคาพูดในโลกนี่เป็นบัญญัติคำพูดที่เราพูดพูดกันเนี่ยโดยมากเราจะกระจายกลองกันว่าเป็นของสมมุตินะฮะไม่ค่อยเถียงกันครับภาษาที่เราติ๊งต่างพูดกันเราไม่เถียงกัน ศรัทธาบัญญัติเนี่ถือเป็นของตื่นนำบัญญัตินี่เป็นของตื่นแต่ว่าอัฏฐบัญญัตินี่เป็นของลึกและโลกเถียงกันมากว่าสิ่งนี้จริงไม่จริงอย่างเช่นว่าคนมีจริงไม่จริงอย่างนี้คนคือหมายถึงโลกเถียงกันนะว่าเอมน่าจะมีหรืออร่อยเนี่ยมีจริงไม่จริงอัดอย่างนี้นะถ้าไม่ซึ่งจริงๆแล้วก็สำคัญว่ามีจริงใช่ไหมฮะมีไหมอร่อยกลิ่นหอมมีจริงไหม มีไม่จริงกลิ่นเหม็น ก, มมม ก, กมม็มีไม่จริงความสกปรกมีจริงไหมมีไม่จริงความสกปรกความสกปรกที่เราว่ากันเนี่ยเหม็นๆอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวมาไว้ตรงโรงพยาบาลตำรวจนะมีไม่จริงมันเป็นของสมมุตินี่วิเคราะห์ในแง่ของปรัมมัตในแง่ของหลักอวิธรรมนะแล้วแล้วก็เอาเราพูดถึงสิ่งนี้เนี่ยแล้วกันแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นโอ้แม่ทันละเอียดบอกว่าแม้แต่เส้นเส้นหนึ่งที่ขีดออกมาเนี่ย นี่ถือเป็นอัดไม่ใช่คําพูดนะเส้นที่เราขีดออมาเนี่ยถามว่าเส้นที่ขีดนี่เป็นเส้นอย่างนั้นมีจริงไหมที่เห็นม่นมีจริงมั้ยไม่มีถ้าเราช็อกขีดมันก็มาจากฝุ่นช็อกเท่านั้นเองบอกฉันไม่เอาเส้นออกเลยฉันเอาฝุ่นออกเส้นอยู่ไหมเส้นก็หายไปเส้นผมเราทั้งเส้นเอาหน่วยย่อยเข้ามันออกเส้นผมก็หายไปทั้งเส้นอย่างนี้ตัวเราก็เหมือนกันทั้งตัวเนี่ย เอาหน่ว ย, ย่อยให้มันออกหายหมดเลยครับไม่มีอร่นแหละพระพุทธเจ้าถึงค่อยๆเวลาสอ น, นให้ให้ละไละห่หน่วยย่อยว่าในตัวมันเองจริงๆไม่มีนะตัวเราจริงๆเนี่ยเราผมออกเอาขนออกก็หายเหมือนกันหรือไม่ออกออกแต่ว่าเราลึกแยกเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บหายโคนหายหรือเจาะลึกลงไปกว่านั้นเอาเอาเป็นว่าเป็นเซลล์เอาเซลออก หายหมดใช่ไหมลึกลงไปกว่านั้นย่างเป็นหลักธรรมะเอารูปยี่สิบแปดดินน้มไฟลมสีกลิ่นรสโพทปลาออกหายอีกเหมือนกันไม่มีเลยนั้นทำมองมองคนมองคนอย่างถึงลักษณะของสภาวะธรรมเนี่ยไม่มีตัวตนกนสัตว์เพราะมันมาจากหน่วยต่างๆบรรวมกันทีนี้เราเนี่ยเราพลาดตรงไหนเราถึงเห็นเป็นคนเป็นสัตว์ เราจะรู้สึกว่าเราฝังใจแรงอย่างยิ่งเลยนะเราเนี่ยฝังใจต่อต่อตรงนี้อัตตาบัญญัติเนี่เราเห็นทีไรก็เป็นอย่างนี้ทุกทีพอเห็นมาถึงวับเรานึกว่าจริงทุกครั้งไปในชีวิตประจําวันเรานะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดให้เห็นว่าเวลาท่านให้ปฏิบัติท่านแนะนำไงไอเวลาปัญจารวานวิถีเกิดบางคนเลยมาแค่นี้คนเลยแค่นี้บางคนเลยไม่มีที่ไม่มีจุดจบเลยเลยไปตลอดชีวิตเนี่ย่ะ มันอยู่ที่ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้และเรื่องหลักอันนี้มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการปฏิบัติวิปัสนาบัพะหนึ่งบพะหนึ่งหมายถึงหมวดหนึ่งเขาเรียกว่าอายตนะบพะอายตนะบพะไม่ใช่อิริยาปรทะบพะไม่ใช่สามัญชนยาบพะท่านเน้นอริยอายตนะบัพะนะอันนี้เกี่ยวข้องมากที่ว่าเห็นสักและว่าเห็นเป็นต้น เดี๋ยวผมทำรายการไม่ดูในแผ่นไส้ในลําดับถัดไปเดี๋ยวเลยตรงนี้แล้วก่อนนะพอเราเห็นเป็นอัดแล้วเราก็นึกเป็นชื่อใช่ไหมฮะอย่างทสมมติเราดูตัวหนังสือบนกระดานเนี่ยพอดูเสร็จแล้วเราจะนึกเป็นชื่อนึกเป็นเสียงในใจออกเสียงในใจหรือนึกเป็นชื่อวะนี่อ่านว่าอย่างนี้ตายออกเสียงแล้วก็ออกมาเป็นชื่อนั้นเห็นคนเราก็จะนึกเป็นชื่อเห็นเป็นรูปราพสัณฐานก่อนเนี่ยทํางานมาโดยลําดับเดิมๆจนทั้งรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วจึงนึกเป็นชื่อ ว่าชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าหากว่าเรานึกชื่อไม่ออกก็แปลวว่าไม่มีถ้านึกที่ออกก็มีทีนี้ถ้านึกชื่อออกหรือไม่ออกก็แล้วแต่หลังจากนั้นจะมีการปรุงแต่งที่เราปรุงแต่งกันอย่างยกใหญ่ยกโตรตรงนี้ครับอธิปายะอะอธิปายยักคานาวิถีที่เราบอกว่าปรุงแต่งปรุงแต่งตัวนี้แหละครับเป็นตัวปรุงแต่งอย่างใหญ่หลวงก่อให้เกิดความ ยึดถือหรือเกิดความโทมนัสต่างๆมากมายมหาศาลตรงนี้อธิตปายะโดยธรรมดาอย่างเราเนี่ยพอเรารู้ว่าเป็นคนนั้นชื่ออย่างนั้นเราก็อธิบายว่าเขามาทําไมนะเขามาทําไมหรือทําไมเขายิ้มทําไมเขาไม่ยิ้มอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็นึกไอ้เมื่อวานทําไมเขายิ้มวันนี้ทําไมเขาไม่ยิ้มอะไรอย่างเนี้ยบางคนนึกไปสารพัดคาดการปรุงแต่งไปเป็นประการต่างๆไปถึงอดีตบ้างไปถึงอนาคตบ้าง ว่าเอาละเราเห็นกันแล้วเดี๋ยวเราจะทำไมกับเขาจะให้อะไรเข้าหรือจะขออะไรเขานึกสารพัดอย่างครับที่มันจะนึกกันไปได้ที่เรานึกๆึกกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งในทางดีและในทางไม่ดีเรียกว่าอาทิกย์ปายยักษขานะนั้นถ้าในทางที่ดีเนี่ยงพาในชีวิตประจําวันเราเนี่ยเราไม่ได้คิดในแง่งการปฏิบัติเชิงอายตนะบับนะเห็นอะไรอะไรแล้วก็เกิดสืบต่อกันไปโดยลาดับ จนกระทั่งถึงนามัคแล้วก็อธิบายอธิปายักยังแม้แต่ท่านฟังผมเนี่ยนะครับก็เกิดอธิปายักที่เนื่องด้วยโสตะตวานวิถีแต่ว่าอธิปายักษอย่างนี้เป็นอธิปายักที่เป็นไปในทางบุญเราจะนึกเชื่อมต่อว่าเออฟังเรื่องนี้นึกเชื่อมต่อเข้าหาประสบการณ์ของตัวตันเองเป็นไปต่างๆกันเราไปเห็นพระบิณฑบาตเราก็นึกอธิบาย เนี่ยนึกเขีนเป็นประมาบินสบาทอะไรแล้วนะครับเราก็นึกอธิบายวิาพากษ์วิจาร์ไปโดยประการต่างๆเรียกวอธิปายยักษจนกว่าจะเสร็จภารกิจแปลว่าทั้งในทางบุญทางบาปเนี่ยอธิปายยักษกันทั้งนั้นไอที่เขียนย่อไว้นะ่ะต้องการจะแสดงรูปร่างของวิธีจิตแต่ว่ายังไม่อธิบายตอนนี้เดี๋ยวย้อนมาแผ่นนี้อีกทีหนึง่งอะเรามาดูในมุ ม, มปฏิบัติกนันนิดนึงนะว่า ในมุมปฏิบัติที่ท่านสอนไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องคราวนี้นะครับว่าตระนุวติกะมโนทวานวิถีเวลาท่านสอนปฏิบัติการปฏิบัติโดยอาศัยหลักตรงนี้นโดยกรงในส่วนของอายตนะบัพเพราะว่าวิถีจิตที่ว่ายดูเมื่อตะ ก, กี้นี้เกี่ยวกับอายตนะกี่อายตนะครับ เกี่ยวกับอายตนะกี่อยตนะครบหกไหมตามีไหมหูจมูกลิ้นกายใจมีไหมมโนตะวันมีไหมมีอะครบหมดเลยครบหกอายตนะทีนี้เวลาปฏิบัติเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าเมื่อใดเธอเห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูก็ให้เห็นสักตธว่าเห็นได้ยินสักจธรรมได้คําว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักตธว่าได้ยินน่ะหมายถึงทำตรงไหน แล้วก็จะทําได้แค่ไหนถ้าผมถามว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเนี่ยเราทําแค่ปัญจทวารได้ไหมก็ว่าพอปัญจทวารวิถีเกิดมาโดยลําดับเราทําตรงโวทธรรมะมันทําไม่ได้นะครับผมตอบได้เลยทําไม่ได้ปัญจทวารวิถีเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันเกิดแล้วเกิดเลยเราจะไปทําอะไรจะไปนึกทาในปัญจทวารวิถีไม่ได้ตัวทํานั้นเป็นตัวสุทธะมโนทวารวิถี ที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะตัวเจริญวิปัสนาเนี่ยเป็นตัวสุทธะมโนทวารวิถีคือตัวความคิดจัดแจงอย่างเอกเทศแต่ไปจัดแจงเมื่อตายเห็นจัดแจงเมื่อหูฟังเสียงเอาไว้เมื่อถึงตรงนั้นแล้วเราจะได้เชี่้เห็นไอ้ตัวไหนไมันออกมาทาในทางหลักนี่เขาวาดหน้าตาให้ดูเลยว่ามีหน้าตาอย่างไรตัวที่เขามากําหนดเนี่ยนะนี่แปล ว, ว่าเมื่อตายเห็นเนี่ยขณะปัญจทวารวิถีเกิดนั้นมันทําอะไร ที่เป็นคุณค่าทางกรรมฐานไม่ได้เว้นเสียแต่นะเว้นเสียแต่ตรงนี้ครับที่มันเหมือนประหนึ่งจะทําได้คือความเคยชินของบุคคลที่ทํากรรมฐานอยู่เป็นชีวิตประจําวันเนี่ยพอตาเห็นเนี่ยโบสถรันดามันทําหน้าที่ตัดสินเหมือนกับตัวมโนทวารวิถีเข้าไปบริหารวิปัสนามันเคยชินมันเคยชินกระทั่งมันเป็นไปเองเลย แต่ว่ากําลังไม่มากถึงจะเคยจริงก็ถือกําลังไม่มากที่จะเอาเป็นแก่นเป็นสารเป็นตัวบรรลุได้จริงๆต้องเป็นตัวมโนทวารวิถีที่เรียกว่าสุทธมโนทวารวิถีเข้ามาจัดแจงนะฮะทีนี้เรามาดูว่าเวลาคนเขากําหนดเห็นศักแต่ว่าเห็นเนี่ยปัญจทาาวารวิถีเวลาเกิดก็เกิดมันเต็มไปถือว่าปัญจทวารวิถีใดวิถีหนึ่งที่เกิดขึ้นอย่าง เต็มอัตราของมันนั้นเป็นวิถีที่เห็นสักแต่ว่าเห็นทำไมถึงว่าเห็นลักเร่ว่าเห็นเพราะว่ามันไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายใช่ไหมไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายถึงมันจะโลภถึงมันจะอะไรมันก็โลภไปเพราะความเคยชินแต่ราคาของการเห็นนั้นน่ะของอารมณ์ที่มันเห็นมันรับเนี่ยเป็นสภาวะบรมัติ์ไม่มีตัวตนคนสัตว์ จึงชื่อว่าถึงยังไงก็ไม่เสียความที่ว่าเห็นสักเทวเห็นในตัวมันเองแต่ผงก็ได้เคยบอกแล้วว่าคำเชืงอในตักถาท่านพูดอะท่านไขชัดเลยตรงนี้ว่าเราเนี่ยเกิดจากคูทวารวิถีกันมาแต่อ่อนแต่ อ, อ๋อเกิดทุกวันวันแล้วไม่รู้ท่าไหร่แล้วในตัวมันเองมันก็เห็นสักเทวเห็นแล้วทําไมเราไม่ได้อะไรขึ้นมาทําไมไม่ได้อะไรขึ้นมาเพราะเราไม่ได้เข้าไปกําหนดดูรู้มัน ใช่ไหมไม่ได้ไปกําหนดดูรู้มันมันจะได้อะไรขึ้นมาต้องไปกําหนดดูรู้มันจึงจะได้อะไรขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราเนี่ยไม่ได้กําหนดดูรู้เมื่อไม่ได้กําหนดดูรู้มันก็เกิดลวดเลยตีลวดเลยและโดยมากก็เป็นไปอธิบายไปในทางดีทางเลวอธิบายให้ตัวเองไปในทางดีทางเลวอธิบายยักที่บายัก